คิดแบบไอสไตล์ก็ตามเออมันก็ยังคิดอยู่ในขันห้าอีกนั่นแหละจะคิดวนแค่ไหนมีผ่าริยะเท่านั้นแหะที่คิดแล้วหลุดจากขันห้าได้เนี่ยพ้าโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจึงคิดเห็นเห็นสิ่งที่พ้นจากขันห้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะปุตุชนทั้งหลายมีความรู้สึกว่าขันห้านี่เย็นเสมอหรือไม่ถึงบอกพอทนได้พอสู้มันไหวอยู่นะ อย่างตอนนี้นะมีใครใครมีความรู้สึกเหมออึดอัดเต็มที่เลยนะจะสำ ROC อ, อาดเจียนออกแล้วคบไม่หน้าแล้วขาดหน้าเลยนะมีไหมมีบ้างไหมยอมเบญจาสียเอียนขันห้าเต็มทีแล้วเอาเว้นแต่กลิ่นบางอย่างใช่ไหมเ <c oughs> ข้ามาแล้วอ้โหกลิ่นทาไมามันดูแรงข น, นาดนั้นนะแต่ดียอมเบญจาได้อาเจียนบ้างไหมยังนะขอมาได้อาเจียนแล้วมาครั้งที่แล้วนะยังนึกไม่ออกว่าอาเจียนใส่รองเท้าใครเลยนะค<อ>ุณกาตาไปลองเวยใช่ให้นมแพ้ใส่ขิงเป็นยังไงรสชาติทั้งแก้วเลยเหรอ ตอนนิดเดียวนะไม่ไม่เดินสักแก้วหนึ่งเลยนะทั้งแก้วเลยนะโอ้ยนมแพ้ใสขิงอืหมันขยายออกดีลำไส้ไม่ออกมาด้วยโอ้ใสรองเท้าเราพานคือฉันข้าวอิ่มเสร็จแล้วก็เขาอ้าบเดิมน้ําขิงก็น่อยแล้วก็เลยซับเต็มที่เลยนะแบบแบบแบบแเต็มหมดแล้วก็เราก็ลุกเดินมาแล้วนี่มันพุ่งออกมาเลยนะใส่รองเท้าเลยนะ แม่ถ้ามันมันเบื่อมันขย่อนแบบนั้นก็ดีนะข่านห้าเนี่ยนะข่านทุกขันแล้วมันขย่อนออกมาแบบนั้นเนี่แจ๋วเลยนะใส่ได้ดีแนะ่แต่มันมีแต่แต่ว่าเทราฉะนั้นหลังจากนี้ไปนะใครไม่ต้องเอาอะไรน้ำขิงผสมนมแพะไม้ดื่มอีกเลยนะ่ปิดตัว น, นี้เลรนะาไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วเนี่ยนะกลับไปน้ำอะไรนะอีกสองอย่างคือน้ำเฮบูบอยเนะี่ยนี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องแะอันนั้นก็อาจเจียนีเหมือนกันเจอแล้วก็มีหลวงพ่อกั ก็หมูมันหมูแท้ๆเลยแล้วก็อุยก็มาตัดแผ่นบางๆแล้วก็มาชุบแป้งทอดแล้วให้จิ้มกับไอ้ใกล้ๆไอ้น้ำพริกเผาอะครับโอ้โหมันมันพอกินมากมันบอกนหิวอยูห่หะไม่เอาเลยนะเมื่ อ, อไรเนาะเราจะมีความรู้สึกกับขันท่าทุกขันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะผูกการมีบ้างหรือยังเราคิดหาตั้งนานแย่างงไม่ใช่นะคือสมัยเป็นนักเรียนในร้อยนะ มันหิวอ่ะอะไรก็กินหมดเนี่ะตอนนี้ไอ้ไอ้โรงเลี้ยงอะ่ะมันก็ทําบ่อยเขาเรียกหมูกระจกครับก็หมูมันหมูแท้ๆเลยเนี่ยนะแล <c oughs> ้มาตัดแผ่นบางๆแล้วก็มาชุบแป้งทอดแล้วให้จิ้มกับไอ้กระไก่ไอ้น้ำพริกเผาอะครับโอ้โหมันมันพอกินมากนันมันมันหิวอยู่นะโอ้โหอย่าบอกใครเลยขึ้นะ <c oughs> ลงพยาบานเลยลําไส้เสียเลยอะ่ะ หลังจากนั้นมาอาหารชนิดนั้นนะศัตรูกันชอบคือเมื่อใดจะเห็นว่าขันทุกขันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะนะบอกใหม่มันมันมันร้อนไปหมดเลยนะแต่ก็ชอบในจุลนิเทศบอกว่าข้อปฏิบัติของพระเสขานี่ท่านคิดกันยังไงบอกว่าท่านจิตของท่านเหมือนขนไก่เลยอนะอารมณ์ทุกอารมณ์เหมือนไฟหมดอะ อันนั้นคือตัวอย่างของผู้ที่เขาปฏิบัติที่ที่ที่ทออกจากวาาัฏตะในจริงๆแล้วเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมของเราเนี่แย่เข้าไปไหนนะกขนเราขนไก่เรามันยืดยืดไปหมดเลยนะอไม่รู้สึกว่านอนกว่า จ, จะถูกเอใช่มันร้อนก็ค่อยๆขีดหดนะไม่หอดอย่างรวดเร็วนะค่อยๆหดมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนี่ยนะเฮ้ยดูว่าห่างกันเยอะนะของเรากับท่านนี้ห่างกันมากเลย <Okay. S 1> มะเขือแขกเป็นยังไงบ้างนะมะเขือแขกชุบแป้งทอด ก็อร่อย <laughs> จะเจปาตีก็อร่อย <laughs> ตอนนี้ไปชันค้าวไปชันจจปาตีอย่างเดียวมันก็จะวนอยู่ในรูปเพราะงั้นก็เลยไม่พ้นในรูปเวทนาสัญญาสังขารและปิญญาณแล้วถามว่าจะพ้นจากชาติชารามรณะโศกาปริเทวทุกโทมนัสอุปาญาตไหมไม่พ้นโดยสรุปเขาก็จะไม่พ้นไปจากทุกข์ทั้งปวง โดยกรพิสูจน์ทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้เห็นพระอริยเจ้าผู้ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าผู้มีวินัยของพระอริยเจ้าผู้เห็นสัตบุรุษผู้ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษมีวินัยของสัตบุรุษเนี่ยนะจะไม่ตามเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาจะไม่สําคัญว่าอัตตามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในอัตตาหรือว่าอัตตาอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ เพราะฉะนั้นเธอก็จะไม่แล่นวนอยู่ในรูปไม่แล่นวนอยู่ในเวทนาไม่แล่นวนอยู่ในสัญญาไม่แล่นวนอยู่ในสังขารไม่แล่นวนอยู่ในวิญญาณเนี่ยนะเธอก็จะไม่วิ่งวนอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะพ้นไปจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะมันก็ต้องตามเห็นภัยจนกว่าจะเช็นภัยจริงๆก็จะสําคัญว่ามัน ปลอบภัยใช่ไหมเมื่อเห็นภัยจริงๆก็จนกว่าจะเบื่อหน่ายและคลายกำหนั tn ั้นช่วงที่เราศึกษาพระธรรมตอนนี้เนี่ยนะจริงนะขันห้าเนี่ยนะมันติดยิ่งกว่ายาเสพติดอีกนะคนลดยาเสพติดเลิกยาเสพติดนี่เราเห็นเยอะใช่ไหมแต่ฉันทราค้าในขันห้าเนี่ยติดยิ่งกว่ายาเสพติดหลายร้อยเท่านักเนี่ยนะติดมากจรงขนาดไม่รู้จะออกจากมันได้ยังไงเนี่ยนะก็นับว่าไม่ง่ายเลยนะที่จะออกจาก ยาเสพติดคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะรมันก็ต้องตามเห็นภัยจนกว่าจะเห็นภัยจริงๆก็จะสําคัญว่ามันปลอดภัยใช่ไหมเมื่อเห็นภัยจริงๆก็จนกว่าจะเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดนั้นช่วงที่เราศึกษาพระธรรมตอนนี้เนี่ยนะมันก็อย่างว่าว่าตามันก็ยังเย็นอยู่มันก็ไม่ได้ร้อนสักเท่าไหร่เลยนะยังไงมันก็พอทนได้เนี่ยนะก็ตั้งอัธยาศัยต่อเรื่อยๆเดี๋ยวว่าตามันก็ค่อยๆร้อนขึ้นเองแหละนะ ถ้าหากว่าบำเพ็ญบุญเจริญกุศลตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีความรู้สึกว่าวัตตะมันจะค่อยร้อนขึ้นร้อนขึ้นวัตตะร้อนกับโทสะเพิ่มคนละอย่างกันนะแยกกันออกไหมวัตตะร้อนขึ้นกับโทสะมากขึ้นเนี่ยคนละอันกันนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าโทสะมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะก็กลายงดหงิดง่ายไม่ใช่แต่หมายถึงว่าวัตตะนี้มันมีภัยจริงๆ อันนั้นมันมีภายจริงๆแล้วก็จิตโน้หม อ, อกจากวัฏฏะปัญญาก็จากคัทธูละสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นพระสูตรที่เป็นเป็นอุทาหนในการทําปริญญาหรือในการพิจารณาขันธะอริยตนะเหมือนกันนะว่า เ, ออเราทั้งหลายนี่มันคิดวนอยู่ในแต่คิดวนอยู่ในอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณวนอยู่ทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจวนอยู่เท่านี้เองเนะาะเมื่อไหร่จะจบสักทีเมื่อไหร่จะจบสักทียนง่งนะ ถ้าไม่เบื่อหนายคลายกำนัดในสิ่งเหล่านี้ก็จบไม่ได้อยู่แล้วล่ะใครจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเมื่อครู่นี้ดื่มเรียนถามคุณเจ้าเนะี่ยที่ระลึกชาติด้วยบทเพลนิวาสานุสติยานเนี่ยการระลึกด้วยวิปัสสนากับจริงๆแล้วขณะที่ฟังนี้เราก็เข้าใจว่าอาดีตเราก็มีขันธ์ธาตุยตนะเป็นการระลึกโดยการเจริญวิปัสสนานี่ยครับกับการที่เรามีความเข้าใจถูกต้องว่า อดีตชาติก่อนๆ น, นี้เราก็ไม่พ้นจากขันท่าจตนาเนี่ยจะต่างกันยังไงคือของเรางหลเนี่ยมันมันจะว่าเราไม่รู้มันก็ไม่ใช่ไอจะว่ารู้มันก็ไม่ได้รู้เป็นอะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอโดยความเข้าใจนี่เราเข้าใจแต่เราไม่ได้เห็นอย่างนั้นจนเป็นอัธยาศัยไม่ได้เห็นจนเป็นอัธยาของนั้นจนเป็นพื้นฐานในการอัยเนี่ยนะก็ยังคิดดูนะว่ายังคิดถึงวันนี้เลยนะ ถ้าโดยเหตุผลในการฟังธรรมเราก็รู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างสมมติเด็กคิดถึงเด็กนักเรียนแขกที่ที่บ้านอนาถเนี่ยนะนั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไหมไปที่แดนที่ข้างหลังสาวถีเนี่ยนั่นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพรุ่งนี้จะไปก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอโดยความเข้าใจนี่เราเข้าใจแต่เราไม่ได้เห็นอย่างนั้นจนเป็น อัธยาศัยไม่ได้เห็นจนเป็นอัธยาศัยเพราะว่าพื้นฐานในการเอาสิ่งเหล่านี้มามาพิจารณาโดยความเป็นขันห้าไม่พอเนี่ยนะคิดถึงโยนกล้วยให้ลิงแล้วอะไรลิงก็คือขันห้าใช่ไหมจริงๆก็คือขันห้าแต่ว่าใส่ใจโดยความเป็นขันห้ามากไหมมันเวลายืนเดินนั่งนอนก็คือขันห้าแต่ถ้าจริงๆแล้วเราใส่ใจแบบนั้นไหมอันนี้คือคือว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ประพฤติอย่างนี้จริงๆ นได้แต่ว่าไม่ได้ประพฤติอย่างนี้เหมือนคนรู้จกักศีลแต่ว่าไม่ได้รักษาศีลฉะนั้นอันนี้ปัญญาตัวนี้ก็เหมือนกันเรารู้ว่าเออปัญญาเข้าเป็นอย่างนี้นะเขารู้อย่างนี้แต่เราไม่ได้ประพฤติปัญญาจริยธโถเนี่ยนะเราไม่ได้ประพฤติตามนั้นจริงๆไม่ได้ประพฤติด้วยปัญญาตลอดเวลานะก็คือประพฤติเป็นครั้งคราวจะเป็นอภิญญาจิตนี่เขารู้ ขันแล้วก็รู้ปัญญัาด้วยใช่ไหมครับ อ, ออภิญญาของผู้ที่ไม่มียาตาปริญญาก็รู้โดยมากก็เป็นไปกับบัญญัติเป็นรู้เป็นรู้ขันห้านั่นแหละแต่รู้แบบเรื่องราวรู้เรื่องราวโดยที่อาการและชาติของผู้มีปริญญากับไม่มีปริญญาเนี่ยแตกต่างกันแ ต, แต่สําหรับผู้ที่ระลึกด้วยวิปัสสนาเนี่ยมันมันไม่ได้เขา ไ, ไม่เห็นเหมือนกับอภินยาพวกนี้มั น, มน ไม่ได้เห็นบัญญัติด้วยคือไม่รู้บัญญัติแต่ก็ยอมรับในความเป็นขันห้า แ, แต่ไม่รู้บัญญัติแบบชัดเจนแบบอภิญยาจะมันมันก็เหมือนการอนุมานเลยถามว่ามันจริงไหมละ่ะจริงแต่ว่าจ ร, จริงแบบอนุมานโดยที่ทุกคนก็ก็เป็นอย่างนี้หมดเพราะฉพวกกลุ่มปัญญาวิมุต t นั้นจึงระลึกชาติไม่ได้จริงๆอันนัที่ในอย่างในสุสีมาสูตรใช่ไหมเล้วท่านปฏิญาณว่าเป็นผ้าหันท่านระลึกชาติได้ไหมไม่ได้ท่านเห็นสัตว์เกิดสาตายไหม ไม่เห็นท่านรู้วาระจิตของผู้อื่นไหมไม่ไดท่านเหาะได้ไหมก็ไม่ได้ท่านเห็นผีเห็นนรกสัตว์นรกเป็นต้นไหมก็ไม่เห็นเอาแล้วทำไมท่านบอกว่าท่านปัญญาวิมุตต์อนเป็นยังไงปัญญาวิมุตต์อย่างนี้นะอันนี้คือคือคืออย่างรู้ถึงอนาคตแต่ว่าอนาคตเหล่านั้นจะเกิดไม่ได้จํานนหรือไม่หมายความว่าจะสร้างวัฏตะต่อไปหรือว่าจะลดวัฏตะต่อไปแต่เงื่อนไขระบบเขาเป็นอย่างนี้แหละ ตามเหตุตามผลที่เรียกว่าศสนาทุกท่านก็ต้องก็ต้องมีการพิจารณาในอดีตก็นั่นแหละถึงเรียกว่ า, าปัจจัยปริฆหายาจึงละความสงสัยสิบหกประการอนาคตด้วยทั้งอดีตด้วยอนาคตด้วย<ม>และก็กล่าวได้ว่าเป็นก็มีอนาคตั่งสยานด้วยก็อย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าปัจจัยเนี่ยการกําหนดปัจจัยก็คืออย่างรู้ถึงอนาคตแต่ว่าอนาคตเหล่านั้นจะเกิดหรือไม่ก็อยู่ที่ จำนอนหรือไม่หมายถึงว่าจะสร้างวัตตะต่อไปหรือว่าจะลดวัตตะต่อไปแต่เงื่อนไขระบบเขาเป็นอย่างนี้แหละตามเหตุตามผลที่เก็ว่าตามกรรมนิยามจิตนิยามอุตุนิยามอ่ะนะคือธรรมดาเขาเป็นอย่างนี้แหละจํานอนไหมวัตตะอันนี้ถ้าจํานอนวัตตะอย่างนี้ก็ก็ยาวถ้าไม่จํานอนละ่ะวัตตะก็ไม่ยาวเนี่ยนะเพราะระเบียบ